ก็สงบเป็นลาต้นที่ร่มเย็นเนี่ยนะต้นไผ่ต้นนั้นเนี่ยเติบโตต้นเดียวโดดแล้ว่าต้นเดียวอ่ะต้นเฉพาะต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะกิ่งก็แตกออกไปจากต้นนั้นงามเหมือนกรรมแววหางนกยูงที่เขาผูกไว้ดีมันก็งดงามพลิ้วไปตามลักษณะยอดไผ่เนี่ยนะต้นไผ่ต้นนั้นเป็นต้นที่ไม่มี้นาไม่มีรู เป็นไผ่ชนิดใหญ่มีกิ่งแผ่กว้างไม่มีช่องร่มเงาทึบหน้ารื่นรมต้นไม้ที่แต่สรู้ว่าไผ่พันธุ์พิเศษว่างั้นเถอะอัคราอุปถาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าสุทัตตะและจิตตะส่วนอัคราอุปถายิกาชื่อว่าสุพัทธาและปทุมาพระชนะพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าโดยส่วนสูงห้สบอก ท่งประกอบด้วยความประเสริฐโดยอาการพร้อมสับสรงถึงพระพุทธคุณครบถ้วน52นี่ก็ประมาณ25เมตรเนี่ยนะย่สิบเมตรเนี่ยถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าใครเคยไปดูพระพุทธรูปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยพุทธรูปสูงหนึ่งรเมตรนะพุทธรูปที่ร้อยเอ็ดเนี่ยที่สูงชัลุ 101, 101, ่นหนึ่งร้นึ่งเมตรนะหนึ่งรหนึ่งเมตรถ้าดูไกลๆ ก, ก, ก็ดูงามนะนะถ้าดูไกลๆระดับหนึ่งก็จะดูงาม เะนั้นถ้า25 25เมตรก็ถือว่าไม่สูงเท่าไหร่พระรสมีเขอไปพระองค์นั้นประกอบด้วยความประเสริฐพร้อมศัพท์ทั้งมหาุริศลักษณะแปลว่าผู้สมบูรณ์ด้วยรูปประกายพระวรกายของพระองค์นั้นประดับประกอบไปด้วยมหาุริศลักษณะ32ประการมีประดับรายละเอียดด้วยอนุพยัญชนะ80ประการ ขณะเดียวกันพระองค์ก็มีพระพุทธคุณคุ ณ, ณธรรมอยู่ในใจในี่ครบถ้วนบริบูรณ์แต่ว่าไม่มีผู้ใดจะตําหนิพระองค์เลยนะในส่วนอะไรเช่นย่อๆว่าเวสารชยานเนี่ยนะพระองค์มีสัมมาสัมพุทธปฏิญญามีขีณาสะวัปฏิญญานิยานิยธรรมเทศนาและอันตรายิกธรรมเทศนาดัง น, น, นั้นภาวะในการดํารงแหนงความเป็นพระพุทธเจ้ามีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในร่างกายและด้านจิตใจเนี่ยนะทั้งในด้าน อายุและในด้านสติปัญญาพระรัศมีแสงนะที่เป็นประกายพุ่งออกจากกายของพระองค์เนี่ยนะก็เสมอด้วยรัศมีของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอก็เป็นพุทธรังศีพุทธฉับพัณรังศีที่เล่นออกโดยรอบจากภวรกายนะถ้าพูดแบบคิดแบบง่ายๆนะครับนะนะนะ สีสีสีนินเนี่ยนะหรือสีดำเนี่ยนะสีเขียวอ่ะสีเขียวก็ออกจากพระเกสาออกจากพระโลมาหลายส่วนเนี่ยนะออกจากที่ที่ไหนที่ส่วนจะดำรัศมีสีนั้นก็พุ่งออกมาจากพระวรากายนั้นแล้วก็สีแดงเช่นว่าเช่ น, ชนริมฝีปากอะไรเป็นต้นเนี่ยนะตรงไหนที่มีส่วนแดงรัศมีสีแดงก็จะออกมาหรือพระพระโลหิตเนี่ยนะพระเลือดเนี่ย ที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะพุ่งออกมาเป็นสีแดงที่ที่ไม่ใช่ว่าแดงแบบเปล่นขาวคราคลุ้งไม่ใช่แดงแบบนั้นหมายแปลว่าเป็นรัศมีสีแดงที่พุ่งออกมาถ้าเป็นสีเขียวก็จับผมสีแดงสีเหลืองสีเหลืองก็เช่นเนี่ยดวงตาในบางส่วนที่มันมีตรงไหนที่ควรจะเหลืองหรือว่าในข้างในพระองคมีมันข้นนีก็ส่วนใดที่เป็นสีเหลืองก็พุ่งออกมา แล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยนะเช่นพระทนหรือว่าตาขาวฝา่ามือเล็บพวกนี้เป็นต้นก็จะพุ่งออกมาเป็นลำแสงสีขาวที่มาจากพระอาทิตย์เป็นต้นเนี่ยนะก็จะเป็นสีขาวส่วนอะไรอีกสีแดงเนี่ยรวมทั้งเนื้อด้วยนะพวกเนื้อทั้งหลายก็เป็นสีแดงแล้วก็สีทั้งหมดที่มารวมกันนะนะแล้วก็เป็นสีเรียกว่าสีรวมอ่ะนะสีรวมที่ทสลับ สีเหล่านี้ก็พุ่งออกจากพระวรกายโดยปกตินี้ประมาณนะโดยทั่วไปก็ประมาณโยต์หนึ่งที่เล่นออกมากประมาณวานหนึ่งแต่ทีนี้ฉับพันรังสีเนี่ยจะให้ไกลเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่พระประสงค์รังสีออกจากกายก็จริงแต่เป็นผลของปัญญาเป็นผลของปัญญาเป็นผลของการค้นคว้าวิจัยเห็นอริยสัจของพระองค์นั่นเอง พระองค์นั้นมีพระคุณหาประมาณมิได้ไม่มีผู้ใดจะไปนับพระคุณว่าพระองค์นี้มีศีลเท่าไหร่แต่แบบทั่วๆไปที่พระองค์แสดงก็จุลศีลมัชชีมะศีลและมหาศีลนะแต่ว่าศีลเหล่านั้นเป็นแต่หัวข้อแต่ศีลเนี่ยตัวศีลไม่ใช่ข้อแต่เป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรมะศีลนี่ยหรือว่าศีลที่เป็นศีลสังวรนะสังวรทางกายวาจา ทั้งอาชีพของพระองค์นั่นเองคือในพฤติกรรมทั้งกายกรรมวิจีกรรมของพระองค์นั้นมีศีลเป็นสมุทฐานทั้งโลกียะศีลและโลกุตระศีลนั้นศีลของพระองค์นี้มีคุณหาประมาณไม่ได้นะกว้างใหญ่ไพศาลยากที่จะนับได้ทั้งสมาธิของพระองค์เนี่ยนะไม่มีอารมณ์ใดที่พระองค์เจริญสมาธิไม่ได้ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิของพระองค์หมดทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญ ปัญญาของพระองค์หมดทุกอย่างพระองค์หลุดพ้นแล้วและทุกอย่างพระองค์ให้ควรทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งในโลกมีประมาณเท่าใดถ้ากลั่นมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าวันในร่างกายที่ดีที่สุดมีเท่าใดกายของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดในส่วนของจิตใจบรรดาศูนย์รวมของคนใจดีทั้งหลายหรือผู้มีปัญญาทุกอย่างมารวมที่พระพุทธเจ้าหมดคุณธรรมทั้งมวลล้วนแต่มีใน พระองค์จึงไม่ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาเปรียบกับพระองค์ได้เหไมไม่รู้ว่ารว่าเหมือนอะไรไม่รู้จะเอาแสงสว่างเราใดที่จะไปเปรียบกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ถ้าธรรมดาในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาแสงไหนว่าไปสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์เนี่ยนะมาเหมือนฉันนั้นนั่นแหละเราก็เปรียบไม่ได้เหมือนกับว่าไม่รู้จะเอ า, มาเมล็ดพันธุ์พรกกาดเม็ดไหนไปเปรียบกับขุนเขาสินรุมัน นะหรือไม่ไม่รู้จะเอาก้อนกรวดก้อนไหนมาเปรียบกับแผ่นดินอย่างเงี้ยเพราะมันห่างกันเยอะไม่รู้จะเอาหยดน้ําตาหรือหยดน้ําหยดไหนไปเปรียบกับน้นําในทะเลซึ่งมันเปรียบกันไม่ได้เนี่ยนะไม่รู้จะเปรียบเอาลมหายใจเออเอาช่องว่างช่องทางหูช่องปากช่องคอช่องว่างๆอันเนี้ยไปเปรียบกับช่องอากาศที่มันใหาโ่โตเปรียบไม่ติดพระพุทธคุณก็ฉันนั้นเป็นพระคุณที่หาประมาณไม่ได้ไม่รู้จะเปรียบเช่นใดก็เลยเรียกว่า ผู้มีพระคุณหาที่เปรียบนี้ได้และพระคุณแต่ละอย่างของพระองค์ช่างไม่ได้ไม่รู้เอาอะไรมาช่างเพราะตัวที่มาช่างให้มันเท่ากันต้องพระพุทธเจ้าด้วยกันสมมติเราเหมือนกับว่าแต่ช่างแบบตุลาการนะแต่ช่างตุลาการต้องพระพุทธเจ้าอีกอง 1, หนึง่งนั่งอีกองคหนึง่งนั่งมันจึงจะเสมอกันมันจึงจะเท่ากันถ้าถ้าเป็นอย่างอื่นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาช่างเอาโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกเอาโลกทั้งโลกมาช่างก็มไม่สามารถรองรับก็ไม่ไม่สามารถที่จะ เทียบเท่ากับพระพุทธคุณได้ขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์นั้นมีพระคุณหาประมาณไม่ได้มีพระคุณที่ช่างไม่ได้ในการบําเพ็ญบารมีเป็นต้นจนถึงได้ตรัสรูปบําเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์ไม่มีข้อต้องอุปมาไม่รู้จะอุปมากับผู้ใดนะว่าโอ้พระพุทธเจ้าเหมือนคนนั้นอ่ะเหมือนคนนี้เหมือนคนนี้บอกไม่มียังมากคนทั่วไปอาจจะเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้บ้างนะแต่ว่า ในบางด้านนิดๆหน่อยๆอะนะพูดถึงในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวัสุชาตินั้นมนุษย์มีอายุประมาณเก้าหมื่นปีพระองค์ทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่คนเป็นอันมากให้ข้ามโอกค่าสงสารว่า ก็มโนปนิทานความปรารถนาะทั้งมโนปนิทานกายะวจีปนิทานตั้งทั้งความคิดทั้งทั้งสิ่งที่ทำคำที่พูดว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยก็คือช่วยให้ผู้อื่นข้ามนะอย่างเช่นข้ามพ้นความยากจนด้วยการให้ทานพ้นจากอบายเช่นด้วยการรักษาศีลถ้าศีลจะสมบูรณ์ข้ามอบายได้จริงต้องศีลระดับโสดาปติมัคสมาธิพอประมาณ ปัญญาพอประมาณให้ข้ามพ้นจากกามาพบด้วยอนาคามีมักแล้วก็พระองค์ช่วยให้สา้งหลายข้ามพ้นจากวัฏฏทุกขโดยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตมักพรองนั้นยังมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะโสดาปฏิมาข้ามทิโถโขฆะเนี่ย น, นะอนาคามีมักข้ามกามโมคอรหัตมักข้ามอะไรอรหัตมักข้ามอวิโชฆะและพะโวะเนี่ย น, นะ พระพุทธเจ้านั้นพาให้สัตว์ข้ามขันธ์ธาตุอายตนะในอบายทุกติวินิบาศพาให้ข้ามพ้นจากขันธ์ธาตุอายตนะที่มีในภพที่แปดด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะให้ข้ามที่เหลือเหลือไว้แต่ชาติเดียวด้วยสกะทาคา ม, มีมกักข้ามจากกามกามมาภพทั้งมวลด้วยอนาคา ม, มีมกักนั้นหรือข้ามจากภพทั้งมวลด้วยอรหัตตมักนั่นเองมันพระองค์จึงพาสัตว์เนี่ยให้ข้ามด้วยสะพานคือ อริยมัติเนี่ยนะเสถุคือสัพานของพระองค์คืออริยมัติโอฆะคือกิเลสสังสงสารนั้นก็เป็นชื่อของทุกขสัจจะทั้งหลายข้ามเป็นชื่อของอรหัตมัคสัจจะโอฆะเป็นชื่อของสมุทยัยสัจจะและก็สังสาระขันธ์ธาตุอยตนาเป็นทุกขสัจจะเพรา ะ, ะนั้นพระองค์เมื่ออยู่ในโลกตราบใดพระองค์ก็บำเพ็ญกิจ อย่างพุทธเวไนททั้งหลายให้ตรัสรู้อริยมรรคให้ข้ามพ้นจากโอกคะคือสมุทัยสัตว์ให้พ้นจากทุกขสัตว์โดยประการตั้งปวงครั้งนั้นปาพจน์คือธรรมวินัยคําสอนของพระองค์เนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างว่าทำกับวินัยถ้านับหนึ่งก็คําสอนของพระองค์ก็นําออกจากทุกข์หรือนําข้ามโอเคะสงสารนับสองก็คือทำกับวินัยนับสามก็ปิดกสามหรือปฐมพุทธพจน์ มัชชิมะพุทธพจน์ปัชิมะพุทธพน์ธนภาก็นิกายห้านับ9ก้าก็คําสอนอันประกอบไปด้วยองค์9ก้าแปดหพันธรรมขัน น, นะเมื่อพระองค์ดํารงอยู่คําสอนเหล่านี้ก็งอกงามเจริญด้วยพระุอรหารทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าดํารงอยู่คําสอนก็มีอยู่เหมือนอย่างว่านิพพานมีอยู่ผู้บอกพระนิพพานมีอยู่มีผู้ที่ปฏิบัติตามผู้ที่ปฏิบัติตาม ก็บอกว่าพผ้าหันเป็นประดุลคลื่นนิพานเหมือนกับฝั่งพผ้าหันทั้งหลายก็น้อมไปการตรัสรู้อริยสัตว์ตามพระพุทธเจ้าเหมือนคลื่นในทะเลอันนะั้นมีผู้ตรัสรู้เป็นระโลกระโลกระโลกแล้วระโลกเล่าที่ตรัสรู้ถึงฝั่งคือพระ น, นิพานเนี่ยนะหรือเหมือนกับดารากรเนี่ยนะสิ่งที่ทําให้ดวงเดือนในนาภากาศผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามากมายอันนะั้นดวงเดือนหรือดวงดาวในนาภากาศเนี่ยนะ มีผู้ตรัสรู้เยอะเนี่ยนะพระาศาสนานี้าศานสาศานาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตินี้จึงงดงามเนี่ยนะงามมากงามด้วยผ้าอหัรทั้งหลายงามด้วยผู้มีศีล น, นะงามด้วยผู้ที่ ควรแก่เครื่องสักการะควรแก่ของบูชางามด้วยอาหุไนยโยปาหุไนยโยทักคินไโยอัญชลีกรณโยอนุตรังปญยักษเหตังโลกสาสติงามด้วยผู้มีวิชาสามอปิญญาหกผู้ถึงกำลังฤทธิและผู้คงที่ทั้งในอิทธารมณและอนิถารมณ์มั่นคงในอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพระพุทธเจ้าเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอกับพระองค์พระองค์นั้น พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงคุณธรรมเช่นนั้นพร้อมทั้งสาวกแต่นะพระพ่อองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณช่างไม่ได้พระพุทธเจ้าด้วยพระสาวกอรหันทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก็อันตรธานหมดสิ้นไปไม่มีเหลือกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่เหลือถึงปัจจุบันอะไรรอกเนี่ยนะพระธาตุไม่มีเหลือเลยนะขนาดแข็งที่สุดก็คือเรียกว่ากระดูกเนี่ยนะขนาดนั้นก็ยังไม่เหลือจากเหล่าไปใยายถึงนะ เนื้อหนังมังสาผมขนเล็บฟันหนังเหลืออะไรกับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเสียงเหล่านั้นก็ดับสิ้นแล้วแต่เป็นการสิ้นแบบทิ้งทุกขเหล่านั้นแล้วก็ไม่ถือเอาทุกขอันใหม่ปลงภาระเสร็จสิ้นหมดแล้วผลสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแท้แต่ว่าดวงไฟดวงใดเกิดขึ้นมาในโลกดวงไฟดวงนั้นถึงจะดับไปก็จริงแต่ไฟทั้งหลายก่อนที่จะดับก็แปลง เปล่งแสงสว่างให้สว่งางขจัดความมืดเมื่อไฟทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อสว่างส่องสว่งางขจัดความมืดออกไปเสร็จแล้วไฟนั้นก็ดับไปฉันใดอริยมรรคหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นในโลกทำกิจกําจัดอวิชชาตรัสรู้อริยศาสตร์เบ็ดเสร็จแล้วก็ดับไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระสุชาติชินวรนพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นดับขันปรินิพานนะพระวิหารเสลาราม วัดหินนะ่ะนะวัดหินส่วนเจดีย์ของพระองค์นั้นสูงสามขาวุธก็เกือบก็สูงหลายกิโลเหมือนกันน่นะสามขาวุธก็เศษหนึ่งส่วนเศษสามส่วนสีน่สของโยชนั่นเองส่วนอัตถกาน่นะ มัทุรัฐวิลาสีนเนี่ยนะมัทุรสหรือมธุรธาวิลาสีอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กล่าวไวแล้วในบาลีพุทธวงว่าภายหลังจากสมัยพระพุทธเจ้าพระนาวาสุเมตเนี่ยนะในมันดกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์นั้นเมื่อสาตว์ทั้งหลายที่มีอายุไขนับไม่ได้โดยลำดับลดลงมาตามลำดับจนถึงอายุประมาณเ0 0 0 0นปีคือหลังจากศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ หมดไปมนุษย์ก็อายุน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนถึงยุค10ปีแล้วก็ค่อยเจริญไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ลดมาจนถึงประมาณ 90,000 ปีมีพระาศาสดาพระนามว่าสุชาตะผู้มีพระรูปปกายเกิดดีมีพระชาติบริสุทธิ์คือคือบริชาติชาติกษัตริย์นะที่สะ บ, บริสุทธิ์อุบัติขึ้นในโลก แม้พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากคานนั้นถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางปะพราวดีอัครเมหิสีในราชสกุลของพระเจ้าอุคตะกรุงสุมังคละหรือกรุงสุมงคลเนี่ยนะพออยู่ในคันครบถ้วนสิบเดือนก็คลอดจากพระคันพระชนนีหรือประสูตรในวันเฉลิมพระนามพระชนกชนนีเมื่อจะเฉลิมพระนามของพระองค์ ก็ได้เฉลิมพระนามวาสุชาตะเพราะเกิดมาแล้วก็ยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายทั่วชมพูทวีปผู้เกิดมาให้ความสุขแก่สราาัรพสัตว์เนี่ยนะเมื่อพระองค์เกิดมาคลอดออกมาสัตว์ทั้งหมดมีความสุขกันทั่วหน้าก็เลยว่าสุชาติผู้เกิดมาแล้วประชาชนหมู่สาาัพพสัตว์ทั้งหลายได้รับแต่ความสุข ตอนแรกก็สบายใจก่อนใช่ไหมได้รับความสุขทางกายและใจในเบื้องต้นในที่สุดก็ตรัสรู้ฌานอภิญยามักผล น, นะนิพพานังประมังสุขขังการเกิดขึ้นมาของพระองค์ก็คือเพื่อให้ได้รับความสุขคืออ ม, มะตะนิพพานสุขพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นครองคารวาดวิสัยอยู่ประมาณ 9,000 ปีมีปราสาทสามหลังชิวสิริอุปหรวสิริอุปสิริและก็สิรินันทะ น, นะร พระสนมนารีบริวารที่คอยดูแลเนี่ยนะนับตัง้งแต่ทหารยามไล่ขึ้นมาเป็นผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยนะประมาณสองหมืนสามพันนางมีพระนางเสรินันทาเทวีเป็นประมุขเมื่อพระโอรสพระนามว่าอุปเสนของพระนางเสรนันธาเรินทันทเทวีเนี่ยนะสมภพคือประสูติแล้วพระองค์ก็เห็นนิมิตสี่ทรงม้าต้นชื่อว่าหังสวังหังสวังเนี่ยนะ เสด็จออกมหาพิเนสกรมผนวดก็มีบุรุษผู้บวชตามเนี่ยพวกทาหารเป็นต้นในประมาณโกฏหนึ่งบวชตามพระองค์ผู้ทรงผนวดอยู่ในลำดับพระมหาบุรุษนั้นอันมนุษย์เหล่านั้นเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรปฏิบัตินะเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เก้าเดือนในวันวิสาขบุรีคือวันเพนเดือนหกพระองค์ก็เสวยข้าวมาทุก ป, ปายาตรสอร่อยที่ที่ดาของสดนันทเศถี แห่งสิริ น, นธนะนาครถวายแล้วก็ยับยั้งพักกลางวันสารวันเวลาเย็ยนพระองค์ก็รับหญ้าแปดการรมที่สุนันทาอาชีวกอมถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโรพพึกชื่อว่าต้นเวลุต้นไม้ไผ่ต้นใหญ่ลาดสันทัดหญ้ากว้างประมาณ 3, สามสบสามศอกเมื่อดวงอาทิตย์ยังคงอยู่ก็กำจัดกองกาลังมารพร้อมทั้งตัวมารเนี่ยนะก็เรียกว่าช่วงหัวค่า มันถมายามแห่งราตรีก็ระลึกชาติได้มัชิมายามแห่งราตรีก็รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายปัจฉิมยามแห่งราตรีพิจารณาปฏิจจสมุปาตสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณนนที่ใกล้ต้นโรพธิ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับนั่งอยู่บริเวณนั้นเจ็ดสัปดาห์เท้ามหาพรหมาราธนานะพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าสุนันทะ ส, ส, สุทัศนกุมารพักกนิตพาดานน้องต่างแม่ของพระองค์และเทวกุมารบุตรปุโรหิตผู้สามารถแทางตลอดธรรมะคืออริยสัจานาว่าสองท่านนี่แหละหัวหน้าพอที่จะตรัสรู้ได้พระองค์ก็เสด็จไปทางอาการลงที่สุมังคละราชุทยานกรุงสุมังคละให้พนักงานเฝ้าราชุทยานไปเรียบสุทัศนาราชกุมารกณิตพาดานน้องต่างแม่และเทวกุมาร บุดปุโรหิตมาแล้วพงศ์ก็ประทับนั่งท่ามกลางกุมารทั้งสองพร้อมกับบริวารของกุมารเหล่านั้นประกาศพระธรรมาจักณณที่นั้นก็มีผู้ตรัสรู้ประมาณหนึ่งโกดแต่ว่าถ้าบวกกับเทวดาก็ร่วมกันร่วม80สโกธก็ตรัสรู้อันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่หนึ่งการบรรลุมูใหญ่ครั้งใหญ่ครั้งแรกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทำรรยะมะกะปาติหานะโคนมหาสาพรพฤกนะ โคนต้นต้นต้นสาระนะที่ประตูสุทัศนราเชทยานเสร็จแล้วพระองค์ก็จำพรรษาณนะดาวดึงสพิภ พ, พนะเตเติงสะเนดาวดึงก็มาจากตาวเติงสะหรืออีกในหนึ่งก็เตติงสะนะก็33นะเทวดาที่อยู่กันรวมกันหมู่ใหญ่ตอนที่พระองค์แสดงธรรมที่ตอนที่ประตูสุทัศนเนี่ยนะ หลังจากที่จําพรรษาธรรมมาพิสมัยก็ได้มีแกษัตร์ประมาณ3าล้านเจ็ดแสนนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้คราวที่สองพระสุชาตทศพลเสด็จเข้าเฝ้าพระชนกธรมมาพิสมัยการตรัสรู้อริยศาสาก็ได้มีแกษัตร์ประมาณ6ล้านอันนี้เป็นครั้งที่3เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสในพุทธวงให้พระสารีบุตรฟังว่าในมันดกับนั้นเล่าแลกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์เนี่ยนะ เมื่ อ, อมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาติผู้นำะนะเป็นผู้นำโลกมีพระหนุมีคางเหมือนกับคางราชสีมีพระศอเหมือนคอโคอุสะพามีพระคุณหาประมาณไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าเฝ้าได้ยากะนะแม้แต่ตอนเป็นเจ้าชายก็ไม่ใช่ว่าจะไปเยี่ยมไปหาได้ง่ายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ะนะพระองค์ก็อยู่ในที่หลีเกเล่นะนะยากที่คนทั่วไปจะเข้าใกล้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองอยู่ด้วยพระสิริงดงามสง่าทุกเมื่อเหมือนดวงจันทร์ที่หมดจดไร้มนทินเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงร้อนแรงฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบรรลุพระโพธิญาณที่สูงสุดสิ้นเชิงประกาศพระธรรมจกักรณกรุงสมังคละเมื่อพระสุชาติพุทธเจ้าผู้นำลูกทรงแสดงพระธรรมอันประเสริฐสัตว์ประมาณแปดสิบกอก็ตรัสรู้อันนี้เป็นการ แสดงธรรมแล้วก็มีการตรัสรู้ครั้งใหญ่ครั้งแรกครั้งพระสุชาติพุทธเจ้าผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้เสด็จเข้าจำมรญสาณนะเทวโลกอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตว์ ป, ประมาณ3าล้านเจ็ดแครั้งพระสุชาติพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเข้าไปโปรดพระชนกโปรดพุทธบิดาอภิสมัยครั้งที่สามการตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแกสัตว์ ป, ประมาณหล้าน ที่บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระหานุคล้ายๆหรือมีคางคล้ายคางราชสีท่านบอกว่าสีหานุคางราชสีเนี่ยเพราะว่าคางของพระองค์เหมือนคางราชสีก็คางราชสีข้างล่างเท่านั้นเต็มข้างบนไม่เต็มนะั้นส่วนล่างก็จะเต็มเหมือนอะไรเหมือนพระจันทร์สิบสองค่ำนะและพระจันทร์ข้างขึ้นสิบสอค่าข้างล่างจะกลมข้างบนก็จะเซี่ยวขึ้นนะชั้นใดพระองค์ก็มีคางชั้นนั้น คอของพระองค์ก็กลมกลึงเหมือนกับคอโคแล้วก็โพธิมุตตะมังนะในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้โพธิญาณอันสูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมโปรดมนุษย์ที่มาในสุธรรมราชิวทยานกรุงสุธรรมมวดียังชน6ล้านให้บวช ด, ด้วยเอหีพิขุทรงแสดงยมกะปาติหายกปาติาตโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุเหล่านั้นอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุม อ, อริยสาวกอรหันเนี่ยนะครั้งที่หนึ่ง ต่อจากนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากเทวโลกภิกษุประมาณหล้านประชุมกันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สองพระสุทัศน์เทระพาบุรุษ4ี่แสนซึ่งฟังข่าวว่าพระสุทัศนกุมารพนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุอรหัตก็คล้ายๆกับเพื่อนสหายพยสานะที่พยสพาเข้าไปเฝ้าพระสุชาตินราสภะ พระ อ, องค์ก็แสดงธรรมโปรดบุรุษเหล่านั้นให้บวช ด, ด้วยเอหิพิคุอุปสัมปทายกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในสันนิบาต ท, ที่ประกอบไปด้วยองค์สี่อันนี้เป็นครั้งที่สาพระ อ, องค์จึงตรัสเล่าในพุทธวงศ์ว่าพระสุชาติผท้เจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนิบาตการประชุมอรหันตสาวกผู้เป็นขีณาศพไร้มนตินจิตสงบผู้คงที่สามครั้งผ่าอรหันตสาวกผู้ถึงกําลังแห่งอภิน ญ, ญาผู้ไม่ต้องไปในพบน้อยพบใหญ่หก หล้านเหล่านั้นก็ประชุมกันเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งในสันนิบาตต่อมาอีกเมื่อพระชินะพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกผ้าอรหันตสาวกห้าล้านประชุมกันอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่สองพระสุทัศนะอัครส า, าวกเข้าเฝ้าพระนาราสภะก็เข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสาวกประมาณ4ี่แ 0,000 นก็มีการแสดงโอวาทปาติโมก ได้ยินว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิได้สดับข่าวว่านนก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะพุทโธอุปนโลเกนะว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไปฟังธรรมกระถะที่ประกาศอนุปพิกถาเป็นต้นก็ถวายราชสมบัติใน มหาทวีปทั้งสี่พร้อมด้วยรัตนะเจ็อย่างแดพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานผนวดในสำนักของพระศาสดาทีนี้ชาวทวีปทั้งสิ้นนะทั้งหมดก็รู้รวบรวมเรียรายรายได้ที่เกิดจากรัฐก็คือภาษีอากรเป็นต้นนะพวกทาหน้าที่ของคนวัดเนี่ยนะพวกคนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนฐานะจากทำงานให้สงให้รัฐเป็น กลายมาส่งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแทนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการถวายมหาทานเป็นประจำแก่พระภิก ษ, ษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานภาษาสดาแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรพระโพธิสัตว์นั้นว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะใน อนาคตดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่าเมื่อสามหมื่นกับก่อนนั้นเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4ี่มีกําลังมากท่องเที่ยวไปในอากาศเรามอบถวายราชสมบัติอย่างใหญ่ในทวีปทั้ง4ี่มีรัตนเจแดดพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดแล้วบวชในสํานักของพระองค์ชาววัดคนที่ทํางานานะเพื่อส่งทํางานให้วัดเนี่ยนะรวบรวมรายได้จากชนบทมาจัด เป็นปัจจัยสบ้างเป็นที่นอนที่นั่งสําหรับที่สุสง่์แม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในหมื่นโลกท่าพระองค์นั้นก็ทรงพยากร์พระโพธิสัตว์คือของเราว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดอีกสามหมื่นกับแล้วก็กล่าวถึงพุ ท, พทธประวัติโดยคร่าวๆผู้ที่เป็นพุทธบิดาเป็นต้นดังที่ฟังไปแล้วพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากได้รับพุทธพยากรฟังคําพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็ร่าเริงดีใจอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติให้ยิ่งยวดขึ้นไปบำเพ็ญบารมีให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็เล่าเรียนพระสูตรพระวินัยระวังขาถศาศสตร์คำสอนคือพระไตรปิฎกยังาศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามพระโทธิสัตว์นั้นอยู่อย่างไม่ประมาทในาศาสนา น, นั้นเจริญพรหมหารภาวนาถึงฝั่งอภิน ญ, ญาแล้วก็ไปสู่พรหมโลกนะ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วเขบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยนะมนุษย์มีอายุประมาณ 90,000 ปีนสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวาสุชาตินั้นพระองค์ก็มีประชชนมายุยืนแค่ว่าสีในห้าส่วนก็เลยยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเะสงสารครั้งนั้นป่าพฤษคือทำมินัยงามด้วยผ้ารหา์ทั้งหลายเหมือนคลื่นในทะเล งามด้วยพผ้าหั่์ทั้งหลายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าฉะนั้นเนี่ยนะเพราะว่าพผ้าหั่์ทั้งหลายก็คือผู้ที่มีแสงสว่างประกายพผ้าหั่์ทั้งหลายก็เหมือนกับดวงดาวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงเดินว่าอย่างนั้นถ้ามองจากโลกไปเนี่ยนะบอกว่าพระผ้าหั่์ทั้งหลายก็เหมือนกับดวงดาวทั้งหลายที่มีแสงสว่างแต่ก็สว่างเหมือนดวงดา ว, แ, วนะแต่อันนี้หมายคือว่าดูจากสายตาออกไปนะเป็นการเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้หมายถึงบริบยายในลักษณะเชิงดาราศาสตร์เพราะว่าดาวที่มันสว่าง ไ, ไกลๆนั้นน่ะมันสว่างกว่าดวงดวงเดือนเนี่ยเป็นหลายร้อยเท่าอันนั้นไม่ได้แปลว่าอันนดาวดวงนั่นน่ะมันเล็กกว่าดวงเดือนแต่นี้พูดธรรมดาด้วยวัดมองกันด้วยสายตาเปรียบเทียบกันโดยปกติว่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเหมือนกับดวงเดือนอันน้นพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เหมือนกับดวงดาวอนะ ประกาศถึงแสงว่าผู้มีความสว่างสว่างด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าพูดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระองค์นั้นนะมีพระผู้ทรงพระคุณเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณที่ช่างไม่ได้ไม่รู้เอาอะไรไปตวงไปวัดไปช่างพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งภะษาวกทั้งนั้นหมายถึงรวมทั้งภาษาวกด้วย อรหันตสาวกเป็นต้นเหล่านั้นก็อันตรธานไปสิน้นถ้าไม่ได้เรียนพุทธวงศ์แล้วใครเล่าเนอจจกรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาติพร้อมทั้งสาวกเนี่ยนะพร้อมทั้งสาวกพระศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองอธิศีนอธิจิตอ ธ, อธปิปัญญาก็เจริญรุ่งเรืองสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าเน่แท้บัดนี้ก็ สาม0 0ื่กลับไปแล้วเนี่ยนะอย่าว่านั้นเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราอีกไม่นานก็จะเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาติวันเวลาผ่านไปแวบเดียวก็สามหมืนกลับไปแล้วนะสําหรับผู้ที่ยังท่องไปในวัตฏะเนี่ยนะท่องไปในวะตะัตฏะเที่ยวไปในวะตะัตฏะสัมผัสด้วยทวารทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเป็นปัจจัยจังมีเวทนาตันหาอุปาทานเพื่อสร้างพบชาติไหลไปไม่มีจบมีสิน้น มันแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เราศึกษาประรรมนี้ก็เป็นชั่วเซี่ยวเศษเสี่ยวของสังสารวัตส่วนนิดส่วนน้อยของวัตตะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประกายเป็นประกายเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นหรือว่าอาจจะหลายท่านอาจจะเป็นท่ามกลางหรือใกล้จะสุดแล้วก็ได้สำหรับผู้ที่เขาสั่งสมบุญมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆไวมากก็ถือว่าเป็นปลายปายของเขา ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้เขาตรัสรู้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาพระธรรมกร่อนจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในอดีตตะการอันยาวนานมาเนี่ยนะก็จะเป็นเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเพราะพืชพันธุ์เมล็ดเนี่ยนะที่จะให้ตรัสรูต้ต่อไปในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นนะพุททางกูลเรียกว่านอของผู้ที่จะตรัสรู้ของเราก็มเมล็ดพันธุ์ที่จะ ตรัสรู้ตามเพรา ะ, มะเมล็ดพันธุ์ที่จะตรัสรู้อันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระองค์ใดตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกการที่เราฟังเราเรียนศึกษาพระธรรมคําสอนของอเพื่อการบูชาพระองค์บูชาด้วยกายบูชาด้วยวาจาบูชาด้วยใจยด้วยการกราบไหว้ด้วยกายสรรเสริญด้วยวาจาน้อมระลึกเคารพด้วยใจเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นบุญเป็นวาสนาให้เราทั้งหลายเนี่ยนะ ให้มีสรรนาเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ทางสรรนางข้าฉาดนี้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าการที่เราศึกษาอริยสัจในาศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นถูกต้องแล้วเพราะพระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์ก็ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจประกาศอริยสัจพระพุทธเจ้าในอดีตก็ล้วนแต่ตรัสรู้ที่ต้นโพล้วนแต่ประกาศพระธรรมาจักเป็นต้นเราก็ถือเอาพระธรรมคําสอนที่พระองค์ตรัสรู้แสดงแต่งตั้งประกาศ ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตหรือพระองค์ปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะคอยผลักวันประกานพรุ่งอะไรเพราะถ้าเราพลาดโอกาสในการศึกษาหรือการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนก็ยิ่งว่าพลาดอริยทรัพย์นะวันถ้าพลาดอย่างคนจนคนไม่มีทรัพย์เนี่ยนะเป็นคนที่เดือดร้อนฉันใดผู้ที่ไม่มีอริยทรัพย์ที่ยังท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดต่อไปในวัดตะกเขาก็เดือดร้อน จากการที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์อดีตที่ผ่านมาซับคือศรัทธาของเราก็จเจริญยิ่งขึ้น น, นะเราก็จะเห็นคุณของศีลการรักษาศีลก็ได้ดียิ่งขึ้นท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ที่ละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปเราก็เสพเสพคุนซ่องเสพอุปนิสัยของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่สั่งสอน ธรรมที่นําออกจากทุกเราก็ได้ยินได้ฟังอันนั้นก็เป็นสุตตะของเราสละบาปสละอกุศลจิตใจของเราก็เบาขึ้นอันนเยือกเย็นสงบยิ่งขึ้นจากที่เคยเร่าร้อนด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายอันนั้นก็เป็นจากาสละวัตถุภัยนอกออกไปสละบาปอากุศลธรรมออกไปขณะเดียวกันเราก็มีปัญญา ไม่งั้นพูดถึงอดีตสามหมื่นกับที่แ ล, แล้วเราก็นึกอะไรไม่ออกเลยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าพูดถึงคําว่าอสงไขสีอสงไขสแสนกับนึกถึงพระพุทธเจ้าตั น, านทางกรเมทางกรสารานางกรหรือพระพุทธเจ้าพระทีปังกรพูดถึงเมื่อสามอสงไขสแสนกับที่แล้วเราก็ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญยะถ้าสองอสงไขสแสนกับที่แล้วเราก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้ามังคละสมณเรวัตแล้ โสพิตะถ้าหากว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อนหนึ่งอสงไขยแสนกลับมาแล้วเราก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าอะโนมาทศีเป็นตน้นนี้ถ้าหากว่าเราระลึกถึงสามหมื่นกลับมาแล้วเราก็จะละลึกถึงพระพุทธเจ้าสุเมธนะโซเมทะและพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตส่วนอีกนับจากนี้ไปพุทธศาสนาก็ว่างไปนับจากพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามวัสุชาตผ่านไป โลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้า 28,200 รกับนะ2 0 0หรกับไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เวลาผ่านไปเนี่ยนะหลายหมื่นกับไม่มีพระพุทธเจ้าน่านถัดจากนั้นไปประมาณ 1,800 กัปรกับแล้วนั่นแหละถอยหลังจากวันนี้ไปเมื่อ1800งัปรกับจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกสองพระองค์เรียกว่าวรกับปิยทัศศีกับ อัทธ์เขาเรียกว่าปิยทัศนีกับอัททัศ ส, สีเกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปิยทัศนีก็เป็นครั้งต่อไปสําหรับครั้งนี้เนี่ยนะมันเราก็ได้เจริญกุศลขอบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญนอมน้อมบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งและพระพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้เจริญเหล่านี้ เป็นปัจจัยให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกตามพระองค์ทุกท่านอนุโมทนาวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้